พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีฆานิกายศิล k ัน n วร a k พระสูตรที่สโสนทันทสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสนทันทะเรื่องพราหมณ์และก้าบดีชาวกรุงจำปาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุษสอหมู่ใหญ่เสด็จถึงกรุงจำปาประทับอยู่ใกล้สระโบกคารณีคัคคารา สมัยนั้นพรามโสนธันทะปกครองกรุงจมปาเป็นพระราชศั์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้พรามและขา้าบดีชาวกรุงจมปาได้ฟังข่าวถึงกิติศัพท์อันงามขจรของพระสมณะโคดมเสด็จออกผนวชจากสักยะจรกูลสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ การได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงจึงพากันเดินรวมกันไปยังสระโบกครณีคัค ข, ขราขณะพราหมณ์โสณทันทะกําลังพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาทชั้นบนมองเห็นพราหมณ์และกหะบดีชาวกรุงจำปาซึ่งล้วนออกจากกรุงจำปาเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสระโบกครณีคัค ข, ขราจึงเรียกอมตที่ปรึกษามาถามว่า พวกเขาออกจากกรุงจำปาเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสระบอกขรณีคากรากันทําไมจึงได้รู้ว่าคนเหล่านั้นพากันไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมพราหมณโสนทันทะบอกอามาตย์ให้บอกพวกนั้นว่าขอจงรอก่อนพราหมณโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยเวลานั้นพรามต่างถิ่นหมู่ใหญ่มีธุระเดินทางมาพักอยู่ในกรุงจำปา พอได้ฟังว่าพรามโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยจึงพากันเข้าไปหาพรามโสณทันทะและถามว่าท่านสโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมจริงหรือพรามโสนทันทะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมพวกพรามห้ามว่าท่านสโสนทันทะอย่าได้ไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมเลย ท่านโสนทันทะไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถ้าไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเกียรติยศของท่านโสนทันทะจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพระสมณโคดมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านโสนทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านโสนทันทะ เพราะว่าท่านโซนทันทะเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิงได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านโซนทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพราะสมนาโคดมพระสมณะโคดมต่างหาควรจะเสด็จมาหาท่านโซนทันทะอันหนึ่ง ท่านโซนนะัทันทัเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุกศาสตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากน์ชำนาญโลกาญตะาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักดุดพรมมีกายดุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนัก เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาอาจารย์ของหมู่ชนสอนมนแก่มานบสามร้อยเหล่ามานพผู้ต้องการมนจำนวนมากจากทิศทางต่างชนบทพากันมาเรียนมนในสานักของท่านโสนทันธา ท่านโสนทันทะเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายราชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากส่วนพระโครโดมเป็นคนหนุ่มบวชแต่ยังหนุ่มท่านโสนทันทะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมาคตและพระโภคราชาสาักการะเคารพนับถือบูชานอกน้อมท่านโสนทันทะปกครองกรุงจำปา ซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าปิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้โดยเหตุนี้ท่านโซนัทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมตังหกควรจะเสด็จมาหาท่านโซนทัรรซนทันทะพราหมณ์โซนทันทะแสดงพระพุทธคุณ เมื่อพวกพราหมกล่าวอย่างนี้พราหมโสนทันทะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านโปรดปังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเป้าท่านพระโคโดมท่านพระโคโดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าพระสมณโคโดมทรงเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้ เพราะอ้างถึงชาติระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านทั้งหลายข่าวว่าพระสมณโคดมทรงละพระประยุรยา่าดผนวดแล้วทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายพระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเกศาดําสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัย เสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงประถนาจะให้เสด็จออกผนวดมีน้ำพระเน่ยชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุแล้วครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมมีพระรูปงดงามน้าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันปุดผ่องยิ่งนักดุดรมมีพระวรกายดุดรม โอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคดมทรงมีอริยศีลมีศีนที่เป็นกุศลประกอบด้วยสีนที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคําอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาอาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ ผนวดแล้วจ่าตรากูลสูงคือขติยะตรากูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจ่าตระกูลมั่งขั่งมีทรัพย์มากมีโภะคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมทรงมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเทียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษสาสองประการทรงมีปกติตรัสเชื้อเชิญ ตรัดผูกมิรไมตรีอ่อนหวานไม่ทรงสยิวพระพักทรงเบิกบานมักตรัดทักทายก่อนทรงเป็นผู้ที่บริษัทสในที่นี้หมายถึงผู้เข้าเฝ้าโดยทั่วไปมีอยู่สี่พวกคือขติยะบริษัทรามณบริษัทขะหะบดีบริษัทและสมณบริษัททรงเป็นผู้ที่บริษัทสี่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม เทวดาและมนุษย์มากมายเลื่อมใสพระสมณโคดมพวกอมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคดมทรงพำนักอยู่พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นคณาจารย์ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัที่อื่นๆไม่ทรงรุ่งเรืองประยศเหมือนพวกสมณพราหมที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองประยศ พระทรงมีวิชาและจรณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีข้าราชบริพารและมูอมัมมัดต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระเจ้าประเสียนที่โกรธลพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีข้าราชบริพารและมูอมัมมัดต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะ รามปกครสาสติพร้อมทั้งบุตรพัญญาข้าราชการและหมู่อ ม, มาตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพระสมณโคดมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่รามปกครสาสติสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม พระสมณโคโดมเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับท่านทั้งหลายสมณะพราหมณ์ที่มาสูเ่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมด้วยเหตุนี้พระสมณะโคโดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคโดมเราซาบพระคุณของพระสมณะโคโดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคโดม ไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดมมีพระคุณนับประมานมิได้เมื่อพราหมณ์โสนัทันทักกล่าวอย่างนี้พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่าท่านสโสนทันทักล่าวยกย่องพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งหนึ่งรอยโย์ก็สมควรอยู่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้า แม้จะต้องขวนสเสบียงไปก็ควรพรามสโสนัทันทะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยกันต่อมาพรามสโสนทันทะพร้อมด้วยคณะพระมูใหญ่เข้าไปถึงสระโบครณีคัคคราเมื่อผ่านราว่าไปเขาเกิดความคิดคำหนึงว่า ถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณโคดมหากพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่ารามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรมามโสนะทันทะโง่เขลาไม่อาจแยกแยะตั้งคำถามกับพระสมณโคดมได้ถ้าพระสมณโคดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระทัยของพระสมณโคดม หากพระสมณะโคโดมจะตรัสอย่างนี้ว่าพรามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ที่ถูกควรตอบอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามสุนัตทันทะโง่งเขลาไม่อาจตอบปัญหาให้ถูกพระทัยของพระสมณะโคโดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคค่าสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภค่าสมบัติอันหนึ่ง เราเข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้แล้วยังไม่ทันได้เฝ้าเลยแต่คิดจะกลับบริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพรอยเหตุนั้นว่าพรามโสนัตทันทะโง่เข่าถือตัวมากขลาดกลัวไม่อาจเข้าเฝ้าพระสมณโคดมได้เข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้แล้วยังไม่ทันได้เฝ้าเลยจะไหนจึงกลับเสียล่าผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภลค่สมบัติ เพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติลำดับนั้นพรามโสนนัันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคครั้นสนทนาพอคุ้นเคยกันดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรป่ายพรามและขหะบดีชาวกรุงจำปาบางพวกกราบพระผู้มีพระภาคบางพวกสนทนาบางพวกไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและตระกูล บางพวกนิ่งเฉยแล้วนั่งณที่สมควรขณะนั้นพราหมณ์สุนทรันทะนั่งวิตกถึงแต่เรื่องนี้ว่าถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณโคดมหากพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพราหมณ์ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราถ้าพระสมณโคดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระทัยของพระสมณโคดม บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่ารามโสนทันท้างโง่เขลาไม่อาจตอบปัญหาให้ถูกพระทัยของพระสมณะโคดมได้โอ๋หนอขอให้พระสมณะโคดมตรัสถามปัญหากับเราเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระทัยของพระสมณะโคดมได้ ลำดับนั้นระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของเขาด้วยพระทยัยทรงพระดำริว่ารามโสนทันทะ น, นี้กำลังอึดอัดใจเราควรถามปัญหากับเขาในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เขาจึงได้ตรัสถามเขาว่าพรามพวกพรามจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเท่าไหร่ว่าเป็นพรามและเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราม ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพรามโสนะธันทาคิดว่าเราปรารถนามุ่งหวังตั้งใจต้องการว่าขอให้พระสมณะโคดมตรถามปัญหากับเราในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราพระเอิญที่พระสมณะโคดมตรถามปัญหากับเราในเรื่องไตรเพศเราจะตอบให้ถูกพระทัยของพระสมณโคดมได้แน่ ท่านใดนั้นพรามโสนัตันทะยืดกายขึ้นเหลียวดูบริษัทธแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพวกพรามจะเรียกคู่ประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างว่าเป็นพรามและเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพรามก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยคุณสมบัติห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้มีชาติกาเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันตุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักรรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3. เป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณปุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนัก4เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ5เป็นบัณฑิตมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรา์ผู้รับการบูชา พวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติห้อย่างนี้แลว่าเป็นพราหมณ์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บรรดาคุณสมบัติห้อย่างนี้หากเว้นสักหนึ่งอย่างพวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงสี่อย่างว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ พรามสุนัตธันทากราบทูลว่าได้ท่านพระควดมบรรดาคุณสมบัติห้าอย่างเว้นผิวพันธ์สี่อย่างหนึ่งก็ได้เพราะผิวพันธ์จะทำอะไรได้บุคคลชื่อว่าเป็นพรามตัดคุณสมบัติข้อผิวพันธ์ออกเหลือคุณสมบัติอีกสี่ข้อก็ยังถือว่าเป็นพรามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามบรรดาคุณสมบัติสอย่างนี้ หากเว้นสักหนึ่งอย่างพวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงสามอย่างว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่พราหมณสนทันท่กราบทูลว่าได้ทันพระโคดมบรรดาคุณสมบัติสี่อย่างเว้นมนสักอย่างหนึ่งก็ได้เพราะมนจักทำอะไรได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อว่าบรรดาคุณสมบัติสมอย่างนี้หากเว้นสักหนึ่งอย่าง พวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงสองอย่างว่าพราหมณ์ได้หรือไม่พราหมณ์โสนทันท่กราบทูลว่าได้ทันพระโคดมบรรดาคุณสมบัติสมอย่างเว้นชาติกําเนิดเสอย่างหนึ่งก็ได้เพราะชาติกําเนิดจากทําอะไรได้บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นบัณฑิตมีปัญญาเป็นลำดับที่หนึ่งหรือที่สอง ในบรรดาพรามผู้รับการบูชาพวกพรามจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสองอย่างนี้แล ว, ว่าเป็นพรามและเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพรามก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยเ <vagy. S 2> มื่อพรามสโสนทันทะกราบทูลอย่างนี้พวกพรามเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสโสนทันทะอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่นานโสณทันทะลบหลู่ผิวพันธุ์ลบหลู่มนต์ลบหลู่ชาติกาเนิด พูดคล้อยตามวาทะของพระสมณะโคดมทายเดียวเท่านั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าพวกท่านคิดว่าพราหมณโสนทันทะศึกษามาน้อยพูดไม่เพาะโง่เขาและไม่สามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณะโคดมได้พราหมณโสนทันทะจงหยุดพวกท่านจงเจรจาโต้ตอบกับเราแทนแต่หากพวกท่านคิดว่าพรามสโสนทันทะศึกษามามาก พูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้อตอบกับพระสมณโคดมได้พวกท่านก็จงหยุดพรามโส น, นทันทะจงเจรจาโต้อตอบกับเราต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้รามโสนทันทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมทรงหยุดทรงนิ่งเถิดข้าพระองค์เองจกตอบพวกเขาด้วยชอบแก่เหตุแล้วกล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าได้พูดอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยว่าท่านโสนะทันทะลบหลู่ผิวพันลบหลู่มนลบหลู่ชาติกำเนิดพูดคล้อยตามวาทะของพระสมณโคดมถ่ายเดียวเท่านั้นแท้จริงเราไม่ได้ลบหลู่ผิวพันมนหรือชาติกำเนิดเลยเวลานั้นอังคกะมานกผู้เป็นหลานของพราหมณ์โสนะทันทะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย ทีนั้นพราหมณ์โสนทันทะได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นอังคกะมานกหลานของเรานี้หรือไม่อังคกะมานกเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักดุจพรมมีกายดุจพรมโอกาสที่จะได้เห็นยากนักในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล้วไม่มีใครมีผิวพันธ์เสมอกับอังคกะมานพเลย อังคกะมานบเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนทรงจบตรเพศชำนาญในวิชาต่างๆเราเป็นผู้บอกมนแก่เขาอังคกะมานบเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติระกูลเรารู้จักบิดามารดาของเขาแต่อังคกะมานพยังฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ลวงละเมิดพัญญาของผู้อื่นกล่าวเท็จดื่มน้ำเมาในกรณีอย่างนี้ผิวพันธ์มนและชาติกำเนิดจะทำอะไรได้เล่าเพราะบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญและเป็นบัณฑิตมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชา พวกพราหม์เรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสองอย่างนี้แลวว่าเป็นพราหม์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหม์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยเรื่องศีลและปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมบ์บรรดาคุณสมบัติสองอย่างนี้หากเว้นเส้นหนึ่งอย่าง พวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพราหมณ์โสนาธันทะกราบทูลว่าข้อนี้ไม่ได้ท่านพระโคดมเพราะปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีล ศีลย่อมมีในที่ที่มีปัญญาปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญานักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลกเปรียบเหมือนบุคคลใช้มือล้างมือใช้เท้าล้างเท้าฉันใดปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีล ศีลย่อมมีเนที่ที่มีปัญญาปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญานักปราดยกย่องศีลและปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลกฉันนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นแลพราหมณ์ปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ และทรงตรัสทุกอย่างเหมือนกับที่พราหมณพูดมาพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าพราหมณ์ศีลนั้นเป็นอย่างไรปัญญานั้นเป็นอย่างไรพราหม์โซ น, นัตทันทะทูลตอบว่าท่านพระโคดมในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความรู้เพียงเท่านี้ขอประทานวาโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดขยายความให้ชัดเจนด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจักบอกเขาทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารามตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหรันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบสำหรับส่วนนี้เนื้อความเต็มเหมือนในสามั ญ, ญพลสูตรภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล บรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตะตะชฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่ อ, อยาณทัศนะนี้เป็นปัญญาของภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบปรมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้เป็นปัญญาของภิกษุนั้นพรามปัญญานั้นเป็นอย่างนี้แล เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พราามโสนทันทะได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการ ต, ต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจาข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตนาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์เพื่อพระอาการดุษณี ทีนั้นพราหมโสนทันทะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้ลูกจากอาสนะกราบพระผู้มีพระภาคและกระทําประทักษิณจากไปครั้นผ่านคืนนั้นไปพราหมโสนทันทะสั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วให้คนไปกราบทูลนิมนต์ตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราสาวกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพราหม์โสนทันทะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้พรามโสนทธันทะได้นำของขบฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงวางพระหัตแล้วพรามโสนทธันทะจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าข้าพระองค์อยู่ในถ้ำกลางบริสัท จะลุกจากที่นั่งไปกราบท่านพระโคโดมก็จะถูกบริษัทดูหมินเพราะเหตุนั้นได้ผู้ถูกบริษัทดูหมินจะเสื่อมยศผู้เสื่อมยศจะเสื่อมโภคสะสมบัติเพราะมียศฆ่าพระองค์จึงมีโภคสะสมบัติถ้าค่าพระองค์อยู่ในถ้ำกลางบริษัทจะประนมมือขอท่านพระโคโดมส่งทราบว่านั่นแทนการลุกจากที่นั่งไปต้อนรับ ถ้าข้าพระองค์อยู่ในถ้มกลางบริษัทจะแก้ผ้าพวกศีรษะออกขอท่านพระโคโดมทรงทราบว่านั่นแทนการกราบด้วยเสียรกล้าวถ้าค้าพระองค์อยู่ในยานพาหนะจะยกปัตตักขึ้นขอท่านพระโคดมทรงทราบว่านั่นแทนการลงจากยานพาหนะไปต้อนรับถ้าข้าพระองค์อยู่ในยานพาหนะจะลดร่มลงขอท่านพระโคดมทรงทราบว่า นั่นแทนการกราบด้วยเสียงกล้าวลำดับนั้นพระอู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้พรามโสนทันทะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปจบ โซนาทันทาสูตร